วันนี้เป็นวันพระรหั ส, สับดีที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2569เป็นวันขึ้นปีใหม่โดยธรรมเนียมเวลาถึงวันขึ้นปีใหม่แต่ละปีพวกเราชาวพุทธผู้มีความศรัทธา มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะเข้ามาที่วัดกันเพื่อมาขอพรปีใหม่เพื่อความสุขความเจริญของชีวิตของพวกเราทุกคนแต่พรคือความสุขความเจริญนี้ มันมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันความสุขความเจริญทางโลกหนึ่งและความสุขความเจริญทางธรรมหนึ่งมีสองรูปแบบความสุขความเจริญทางโลกก็คือความสุขในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัะชนิดต่างๆส่วนความสุขทางธรรมนี้ ความสุขความเจริญทางธรรมนี้ก็คือความสุขความเจริญของจิตใจความสุขความเจริญสองรูปแบบนี้ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ความสุขความเจริญทางโลกเป็นความสุขความเจริญชั่วคราวไม่ยั่งยืนไม่ถาวรจะต้องมีวันสิ้นสุดลง ไม่ช้าก็เร็วเมื่อร่างกายถึงแก่ความตายไปความสุขความเจริญทางลาบยศเสรเสรญก็จะหมดสิ้นไปคือจะไม่สามารถเอาลาบยศเสรเสริญสุขที่เราได้ในการทำงานทำการทำอะไรต่างๆลาบยศเสรเสรญสุขนี้พอเราไม่มีร่างกาย เราก็จะไม่สามารถเอาติดไปกับเราได้เราคือใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ความสุขความเจริญทางธรรมหรือทางใจนี้เป็นความสุขความเจริญที่ยั่งยืนที่เราสามารถเอาติดไปกับใจของเราได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีดวงตาเห็นธรรม เห็นความแตกต่างระหว่างความสุขทั้งสองรูปแบบนี้จึงไม่แสวงหาความสุขทางโลกหรือความสุขจากลาบยศสารสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความสุขที่จะจบลงด้วยความเศร้าโศกเสียใจท้านกับแสวงหาความสุขทางธรรมกัน เอาความสุขทางธรรมนี้จะเป็นความสุขความเจริญที่จะเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจนถึงความสุขความเจริญขั้นสูงสุดขั้นที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดความสุขความเจริญทางธรรมจึงจบไปจึงจบลงที่ประมังสุขขงังคือความสุขอันยิ่งใหญ่ที่สุด ข, ของความสุขทั้งปวง คือความสุขของพระนิพพานนิบานังปานังสุ ข, ขังนีง่ดังนั้นเวลาที่เรามาขอพอรจากพระท่านก็จะสอนให้เรามาหาความสุขความเจริญทางธรรมกันอย่าไปแสวงหาความสุขทางโลกเพราะความสุขทางโลกนี้จะทำให้เราจะต้องทุกข์ จะทําให้เราวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆเพราะความไม่แน่นอนของาลาภยศเสรเสริญสุกนี่บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีบางทีก็เจริญบางทีก็ไม่เจริญบางทีก็เสื่อมบางทีก็หายไปหมดไปเป็นการหาความทุกข์มากกว่าการหาความสุขถ้าเราไปแสวงหาความสุขจาก ลาบยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัชชนิดต่ตางๆให้เราเปลี่ยนวิธีมาหาความสุขความเจริญทางธรรมทางจิตใจจะดีกว่าเพราะจะเป็นการหาความสุขความเจริญที่แท้จริงที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดที่จะติดตัวติดไปกับใจของเราทุกแห่งทุกขนทุกภพทุกชาติ เวลาเราขอพอรท่านจึงมักจะสอนให้เราหาพรหาความสุขความเจริญในทางในทางธรรมกันด้วยการสอนวิธีสร้างความสุขเหล่านี้ให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจของพวกเราทุกคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านไม่สามารถสร้างพรให้กับเราได้สร้างความสุขสร้างความเจริญ ของจิตใจให้กับพวกเราได้ท่านเพียงแต่สามารถสอนให้พวกเรารู้จักวิธีสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจและป้องกันความทุกข์ความเสื่อมของจิตใจได้ทั้งนั้นพวกเราผู้ที่ปรารถนาความสุขความเจริญและไม่ต้องการความทุกข์ความเสื่อมของจิตใจ เราก็ต้องศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติทมถ้าเราสามารถปฏิบัติตามได้เราก็จะได้พบกับความสุขความเจริญของจิตใจและเราจะป้องกันความทุกข์ความเสื่อมของจิตใจได้อย่างเต็มที่ดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะ ข้าหาคือพระธทําคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามที่มาตัดสู้และนำเอาพระธรรมอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สารโลกก็จะสั่งสอนเหมือนกันทุกๆองค์ด้วยกันคือสั่งสอนวิธีป้องกันไม่ให้จิตใจ เสื่อมแม่จิตใจตกต่ำแม่จิตใจทุกข์<ม>แล้วก็สอนวิธีที่จะทำให้จิตใจเจริญให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นไปตามลำดับค<ม>ำสอนนี้มีอยู่สามหัวข้อใหญ่ๆด้วยกันคือหนึ่งให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสองให้สร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม และสามให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นวิธีสร้างความสุขสร้างความเจริญและป้องกันความทุกข์ความเสื่อมของจิตใจได้อย่างร้อยเปอร์เซถ้าใครสามารถปฏิบัติทำสามข้อนี้ได้จิตใจจะมีแต่ความสุขความเจริญจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพาน น่าจิตใจจะไม่มีวันที่จะตกต่ำลงไปสู่าบายอีกต่อไปอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นพรนันประเสริฐที่เราจะได้รับจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่เราจะนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลขึ้นมากับตัวเราถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่เกิดผลเพราะทรทำเหล่านี้คำสอนเหล่านี้ เป็นคำสอนที่จะต้องเกิดจากการปฏิบัติแล้วก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนอย่างเต็มรูปแบบเช่นวิธีป้องกันให้จิตใจเราตกต่าเสื่อมไปอยู่กับความทุกข์ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เสื่อม คือวิธีการป้องกันไม่ให้จิตใจตกต่ําไปอยู่ในอบายนั่นเองจิตใจเหล่านี้หลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วนี้สามารถไปอยู่ในภพต่างๆได้ขึ้นอยู่กับการกระทําของจิตใจของพวกเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้ว่าเราทําบุญหรือทำบา ว่าเราสักพ่อชำระจิตใจของเราให้สะอาดหรือไม่การกระทาเหล่านี้จะเป็นผู้ที่จะชี้บอกให้เราให้ดวงวิญญาณของพวกเรานั้นไปอยู่ในตามภพภูมิต่างๆถ้าเราสามารถราเว้นการกระทาบาปได้คือถ้าเราสามารถรักษาศีลห้าได้หรือไม่ทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิด ในกามไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาและเสพอบายามุกต่างๆเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนเป็นต้นถ้าเราสามารถที่จะละเว้นการกระทำเหล่านี้ได้เราก็จะป้องกันไม่ให้จิตใจของพวกเราตกต่ำจิตใจของพวกเราตอนนี้อยู่ในระดับของมนุษย์เป็นระดับกลางๆไม่สูงไม่ต่ำ อยู่ระหว่างสุกติกับทุกติสุกติก็คือพภูมิที่สูงกว่าเรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆทุกติก็คือพ่ภูมิที่ต่ำกว่าของมนุษย์ก็คือพ่อภูมิของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและของนรกเบือ้องต้นนี้พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราปิดประตูาบายกันก่อนอย่าลงต่ํากว่าการเป็นมนุษย์น วิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องไปเกิดต่ำกว่าการเป็นมนุษย์คือไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนศรลกายหรือไปนรกเราก็ต้องละเว้นการกระทำบาปและการเสพอบายมุกการเสพอบายมุกนี้จะดึงให้เราเข้าไปสู่การกระทำบาปได้ง่ายขึ้นถ้าเราไม่เสพอบายมุกโอกาสที่เราจะทำบาปก็จะยากขึ้น เช่นการดื่มสุรายาเมาเวลาเราดื่มของมึนเมาขึ้นไปแล้วเราจะไม่มีสติประครับประคองใจเวลาใจเราคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดที่จะทำบาป ก, ก็จะไม่มีสติคอยมายับยั้งได้แต่ถ้าเราไม่ดื่มสุรายาเมาเราจะมีสติเราจะมีความรู้สึกตัวเราจะสามารถยับยั้งการกระทำ ที่เกจากความคิดที่ไม่ดีได้ถ้าเราคิดอยากจะทําบาปถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถหักห้ามจิตใจไม่ให้กระทําได้แต่ถ้าเราไปเดินสุรายาเมา อ, อันที่เกิดอาการมึนเมาขาดสติขึ้นมาเวลาคิดจะทําอะไรก็จะไม่มีสติมาคอยยับยัง้งคิดอะไรแล้วก็จะทําตามความคิดนั่นทันที น, นี่คือ วิธีการที่เราจะป้องกันไม่ให้จิตใจของพวกเราลงต่ำกว่าการเป็นมนุษย์ตอนนี้พวกเราเป็นมนุษย์กันถ้าเราอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์ของพวกเราไว้ต่อไปไม่ให้ลงต่ำกว่าการเป็นมนุษย์เราก็ต้องมาละการกระทำบาปด้วยการถือศีลห้าละการเสพอวัยอบายมุกต่างๆถ้าเราสามารถกระทาได้ เราก็จะได้ป้องกันไม่ให้ใจของเราตกตำ่ำเวลาร่างกายตายไปดวงวิญญาณของเราก็จะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นนสน ล, ลกายหรือไปนรกเราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ต่อไปได้เลยแล้วถ้าเราอยากที่จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้เจริญขึ้นให้มีความสุขมากกว่า มนุษย์ที่เราเป็นอยู่ขณะนี้เราก็ต้องมาทำบุญทำกุศลกันทาความดีต่างๆทำประโยชน์สุขให้กับเพื่อนร่วมโลกให้กับผู้น์สุขใี้เรียกว่าเป็นการทำบุญเป็นการให้ความสุขกับผู้ซึ่งมีหลายวิธีด้วยกันเช่นวิธีทำบุญทําทานให้ข้าวให้ของให้เงินให้ทอง กับผู้เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนก็ดีหรือเพื่อให้เขาได้มีความสุขจากการให้ของเราก็ดีเรียกว่าเป็นการทําบุญทํากุศลเป็นการยกระดับจิตใจจากมนุษย์ให้ขึ้นสูงกว่าการเป็นมนุษย์เพราะว่าจะจะมีความสุขมากกว่าความสุขของของการเป็นมนุษย์นั่นเองถ้าเราไม่ได้ทําบุญทําทานเราไม่ได้ลเราไม่ได้ทําบา เราก็จะได้ความสุขของระดับของมนุษย์แต่ถ้าเราอยากที่จะได้ความสุขสูงกว่าของมนุษย์และยกระดับจิตใจของเราให้สูงกว่าการเป็นมนุษย์คือไปเป็นเทวดา น, นี่เองเราก็ต้องทําบุญทําทานทําคุณทําประโยชน์ให้ความสุขแก่ผู้อื่นซึ่งการทําบุญทําทานก็มีหลายวิธีด้วยกัน จะให้เข้าของเงินทองก็ได้ถ้าเราไม่มีเข้าของเงินทองเรามีเวลาว่างเราไปเป็นอาสาสมัครไปเป็นจิตอาสาทําคุณทําประโยชน์ให้แก่สังคมก็ได้หรือถ้าเรามี ว, วิชาความรู้ที่เราสามารถเอาไปสอนให้ผู้อื่นใช้เอาไปนําใช้ให้เกิดประโยชน์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ทําบุญเหมือนกันเรียกว่าวิทยาทานให้ความรู้แก่ผู้อื่น เราเรารู้จากวิธีตัดเย็บเสื้อผ้าเราก็ไปสอนคนที่อยากจะมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าโดยที่ไม่คิดค่าใช้ใจ่ายในการสั่งสอนสอนให้ฟรีอันนี้ก็เป็นการทําบุญทำทานอีกรูปแบบหนึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเงินทองเพียง อ, อย่างเดียวถึงจะสามารถทําบุญทำทานได้เราสามารถทําบุญทำทานได้ด้วยการให้วิชาความรู้ก็ได้ หรือให้เวลาของเราไปเป็นอาสาสมัครทำทำงานจิตอาสาต่างๆก็ได้หรือการให้อาภัยผู้อื่นก็เป็นการทำบุญอีกอย่างนึงเหมือนกันเวลาใครเขาทำให้เราโกรธเราก็อย่าไปล้างแค้นเขาอย่าไปจองเวรจองกรรมเราให้อาภัยกันเวลาเราให้อาภายัยแล้วใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะสงบใจเราก็จะสุข ความสุขใจนี้แหละคือบุญนี่คือวิธีการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่การเป็นเทวดาและเทวดานี้ก็มีสวรรค์หกชั้นด้วยกันสวรรค์นี้มีสูงมีต่ำมีสุขมีมีสุขมากสุขน้อย ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่เราทำว่าทำทำมากทำน้อยถ้าได้ถ้าทำน้อยก็จะได้สวรรค์ชั้นต่าถ้าทำมากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงนี่คือการให้ความสุขความเจริญแก่จิตใจของพวกเราด้วยการทำบุญทาทานถ้าเราตายไปดวงวิญญาณของเราก็จะกลายเป็นเทวดาไปก็จะไปอยู่ในสวรรค์ สวรรค์นี้เราเรียกว่าสุคติเป็นที่ที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์แล้วก็จะอยู่ไปจนกว่าบุญที่เราได้ทําไว้มันหมดลงเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเราก็จะกลับมาทมําบุญทําทานใหม่ต่อไปเพราะมันจะติดเป็นนิสัยแล้วการเวียนว่าตายเกิดของเราก็จะอยู่ในในสุคติ อ ย, อยู่ระหว่างภพของเทวดาและภพของมนุษย์อันนี้คือวิธียกระดับพัฒนาจิตใจให้สุขให้เจริญสูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ให้ไปสู่การเป็นเทวดาแล้วถ้าเรายังอยากจะพัฒนาให้สูงขึ้นกว่านี้ก็ยังมีอีกสองระดับด้วยกันคือระดับของพรหมและระดับของพระอริยเจ้า ของพระ้าลอาหารของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมีการเพิ่มการกระทาอีกข้อหนึ่งคือข้อที่สามที่สงสอนว่าให้เราชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราต้องซักฟอกจิตใจที่ตอนนี้เปื้อน ด, ด้วยกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้แก่จิตใจของเรา ที่การทำบุญทำทานการรักษาสินไม่สามารถกาจัดได้จาเป็นที่จะต้องอาศัยการซักพอกจิตใจด้วยการปฏิบัติที่เรียกว่าจิตตภาวนา<ม>คือการทำจิตใจให้สงบ<ม>และการทำจิตใจให้ฉลาด<ม><ม>เป็นสองระดับด้วยกันระดับแรกคือจิตตภาวนาสามถาภาวนานี้คือทำจิตใจให้สงบให้เป็นสมาธิ แต่ก่อนที่เราจะสามารถมาเจริญจิตตภาวนาคือสัมมาภาวนาได้เราจำเป็นที่จะต้องมีศีลแปดเป็นผู้สนับสนุนเพราะเราจะต้องละเว้นการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองเพราะถ้าเรายังหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เราจะไม่สามารถมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญสัมมาภาวนาเพื่อทจิตใจให้สงบได้ ถ้าเราอยากจะยกประดับจิตใจของเราจากการเป็นเทวดาขึ้นไปสู่การเป็นพรหมเราต้องละการเสพการเราต้องถึงศีลแปดกันจากศีลห้าเราก็ต้องเพิ่มอีกอีกสามข้อแล้วเปลี่ยนศีลข้อที่สามจากกาเมสุมิฉาจารามาเป็นอบรมจาริยาเวรมณี คือจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่ร่วมเพศกับใครจะไม่หาความสุขจากการร่วมเพศกันยาเวลาที่เราใช้กับการร่วมเพศนี้มาหาความสุขจากการเจริญสัมมะะัปปภาวนาเพื่อทําจิตใจให้สงบเพราะเมื่อจิตใจสงบแล้วจิตใจจะเกิดความสุขที่เหนือกับความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองถ้าอยากจะย ก, กระดับจากเทวดา ชั้นเทพขึ้นไปสู่ชั้นพรมเราก็ต้องมาถื้อสินแปดกันแล้วก็ไม่ซื้ศสินแปดสินข้อหกก็คือการไม่รับประทานอาหารมากเกินไปรับประทานพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้อยู่ได้ก็พอไม่ให้ไม่ให้รับประทานตามความอยากไม่ให้รับประทานเพื่อเสรรูปเสียงกลิ่นรสขอ ง, งอาหารรับประทานอาหารเหมือนกับการรับประทานยา เพื่อที่จะเยยวยาความหิวโหยของร่างกายรับประทานเพียงเพียงวันละครั้งหรือสองครั้งก็พอแต่ไม่เกินเที่ยงวันไปแล้ว mm hmm. เพื่อที่เวลาที่เหลืออยู่เราจะได้เอามาใช้กับการเจริญสตินั่งสมาธิทำจิตใจให้นิ่งให้สงบนั่นเอง mm hmm. แล้วข้อศสีนข้อที่เจ็ก็คือเราก็จะไม่หาความสุขจากมหัศรบันเทิงต่างๆไม่ดูหนังฟังเพลง mm hmm. เป็นต้น ไม่เสริมสวยความงามของทางร่างกายด้วยเสื้อผ้าพรที่สวยงามวิจิตพิสดารด้วยเครื่องสําอางน้ํามันน้ําหอมต่างๆความสุขเหล่านี้เป็นความสุขทางการอารมณ์ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะทําให้จิตใจขึ้นสู่สวรรค์ชั้นชั้ น, นพรหมได้ต้องละความสุขเหล่านี้ไปและ ข, ข้อสุดท้ายของศิ่งแปดก็คือไม่ให้นอนมากเกินไป ให้พักผ่อนให้นอนเพื่อพักผ่อนร่างกายซึ่งปกติร่างกายถ้าได้พักผ่อนสี่ห้าชั่วโมงก็จะพอเพียงแต่ถ้าเรานอนบนเตียงที่มีความสุขมากมีผูกหนาหนาเป็นเตียงสําราญนอนแล้วเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะลุกเพราะมันสบายก็อยากจะนอนต่อก็เลยจะนอนต่ออีกหลายชั่วโมงด้วยกันแต่ถ้าเรานอนบนพื้นแข็งแข็งเนี่ย พอร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอเพียงแล้วใจก็จะพอร่างกายตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะได้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิแทนมาเดินจงกรมมาปฏิบัติมาปฏิบัติธรรมแทน น, นี่คือถ้าอยากจะลดยกระดับจิตใจพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้ให้สุขให้เจริญมากขึ้นจากสวรรค์ชั้นเทพสู่สวรรค์ชั้นพรหมเราก็ต้อง มีรักษาสินแปดแล้วก็เอาเวลาที่เรามีว่างจากการไม่เสพกามนี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิการจะทำให้ใจนิ่งสงบเข้าฌานเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้นี้ต้องเข้าฌานขั้นต่างๆการจะจิตจะเข้าฌานได้จิตต้องนิ่งต้องสงบต้องมีสติคอยกากับใจไม่ให้ไปคิดปุงแต่งกากับใจผูกใจไว้กับกรรมอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐาน อารมณ์ที่กรรมาฐานนี้เช่นการบริการพุตโธหรือการดูลมหายใจเขาออกนี้ถ้าเราใช้สติและเลือกรู้อยู่กับอารมณ์เหล่านี้เราก็จะผูก ด, ดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเมื่อใจไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ใจก็จะนิ่งสงบขึ้นมาพอใจนิ่งสงบก็เป็นฌานขึ้นมาแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาเป็นสวรรค์ชั้นพรหมขึ้นมา ท, าทันทีนี่คือวิธีการยกระดับ จิตใจของเราให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นจากระดับชั้นเทพขึ้นมาสู่ระดับชั้นพรหมก็คือเราต้องถือศีลแปดแล้วก็จเจริญสตินั่งสมาธิควบคุมจิตใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ได้ถ้าเราควบคุมได้ไม่เผลอไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่นานจิตก็จะรวมลงสู่สมาธิได้ mm. เข้าสู่ความสงบ แล้วก็จะเกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่มา จ, จัดจา์ใจและจะเกิดอุเบกขาขึ้นมาในใจคือใจสามารถอยู่เฉยๆได้ไม่ไม่มีอารมณ์กับอะไรทั้งสิ้นตักแต่ว่ารู้ได้ น, นี่คือสวรรค์ชั้นพรมแต่ยังเป็นสวรรค์แบบชั่วคราวอยู่สวรรค์ชั้นเทพก็แบบชั่วคราวเพราะว่าเมื่อสวรรค์สามารถเสื่อมลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ ถ้าเราอยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดคือสวรรค์ชั้นนิพพานสวรรค์ของพระพุทธเจ้าของพระหลานทศวกเราก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติขึ้นอีกข้อหนึ่งที่เราเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคือการเจริญปัญญาการสอนใจให้เห็นอริยสัจสี่ให้เห็นใจละให้เห็นว่าใจที่ยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ก็เกิดจากตัณหาความอยากสามประการความอยากเสพกรม อยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องการที่จะทําให้จิตนิ่งสงบอย่างถาวรไม่มีวันเสือ่อมให้มีความสุขแบบถาวรแบบไม่มีวันเสือ่อมเราต้องกําจัดความอยากทั้งสามนี้ด้วยการพิจารณาสิ่งที่ความอยากต้องการเช่นรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็ น, เ ป, นเป็นตายรักคือเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วขา่าว ให้ความสุขได้ชั่วครั้งชั่วคราวเวลามันเสื่อมเวลามันเสื่อมเวลามันหมดไปมันก็จะทำให้เกิดใจเกิดความทุกข์ขึ้นมายงนการที่เราทำอะไรตามความอยากทั้งสามนี้มันจะนำไปสู่ความทุกข์ถ้าเราเห็นถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นเราก็จะไม่อยากที่จะไปทำตามความอยากอีกต่อไปเราก็จะหยุดความอยากต่างๆเหล่านี้ได้เวราหยุดความอยากต่างๆเหล่านี้ได้ใจที่ วุ่นวายไปกับความอยากก็จะสงบตัวลงทันทีสงบอย่างนิ่งอย่างถาวร อ, อย่างไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไปนี่คือความสงบของพระนิพพานเป็นเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดก็ว่าได้เป็นเป็นความสุขที่สูงสุด ข, ของบรรดาวความสุขทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิบบานางังพลมังสุขขังเป็นบรมมสุขเกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา แต่ก่อนที่จะ ป, ะปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาได้ก็ต้องผ่านสมะถะภาวนาทำจิตใจให้สงบให้เข้าสมาธิให้ได้ก่อนแล้วก่อนที่จะมาทำสมะถะภาวนาได้ก็ต้องมีการรักษาศีลแปดให้ได้ก่อนแล้วก่อนที่จะมารักษาศีลแปดให้ได้ก็ต้องผ่านการเป็นเทวดามาก่อนรักษาศีลห้าแล้วทำบุญทำทานให้ได้เสียก่อนเราถึงจะสามารถที่จะเข้าสู่ สวรรค์ชั้นสูงสุดได้คือพระนิพพานที่เป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงที่ยั่งยืนถาวรที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดนี่แหละคือพอรที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะให้กับพวกเราเวลาที่เราไปกราบพระไปขอพอรต่างๆพรที่แท้จริงนี้คือการบันการปฏิบัติ จ, จิตใจชำนะ จ, จ, จิตใจซักพอก จ, จิตใจยกระดับ จ, จิตใจจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพ จากเป็นเทพให้ไปเป็นพรหมและจากพรหมให้ไปเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์เป็นพะาารนพะพุทธเจ้าตามลำดับต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะบอกพร น, นันประเส ร, ริฐให้กับพวกเราอยู่ที่การปฏิบัติธรรมสามข้อด้วยกันคือหนึ่งละการกระทำบาปทั้งปวงสองสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม สามชำระจิตใจให้สะอาดบริสุดถ้าเราสามารถกระทำกิดทั้งสามข้อนี้ได้ใจของเราก็จะได้รับการพัฒนาได้รับการได้รับความสุขความเจริญถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพนิพพานเองแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาเจอกับความทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายต่อไป นี่แหะคือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราเข้าหาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือเราต้องน้อมนำมาคําสอนที่เป็นพรันประเสริฐนี้มาให้ม า, ม า, ม, ามาปฏิบัติด้วยตัวของเราเองเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเราต้องมีอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่สามารถปฏิบัติธรรมเหล่านี้ให้กับเราได้ท่านเพียงแต่บอกวิธีบอกทางสู่การสู่ความสุขที่เจริญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้แต่ท่านไม่สามารถปฏิบัติให้เราได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองดังนั้นถ้าเราอยากจะได้พรนั้นประเสริฐได้ความสุขความเจริญอันยิ่งใหญ่ที่ถาวรนี้ เราต้องตั้งจิตอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานในวันปีใหม่นี้ว่าปีนี้ข้าพเจ้าจะขอทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสาข้อนี้คือ 1. จะละเว้นจากการกระทำบาปทั้งปวง 2. จะทำบุญทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสาอาชั 3, ะละจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราจ้งตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วเราก็จะได้ มีเป้าหมายอของการนำนวนชีวิตของเราในปีใหม่นี้ทุกวันที่เราเตื่นขึ้นมาเราก็จะนึกถึงสัจจะอธิษฐานที่เราได้ตั้งไว้แล้วเราก็จะหาเวลาหาโอกาสมาทำตามที่เราได้ตั้ ง, งสัจจะไว้ถ้าเราได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเราก็จะเราก็จะได้พัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับจนในที่สุดก็จะถึงขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องของพอรปีใหม่ ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ซึ่งก็พอสมควรแก่เวลาที่ได้กําหนดไว้ประมาณ30นาทีด้วยกันเพราะหลังจากนี้อีกสานาทีโดยประมาณเราจะมาปฏิบัติธรรมกันเราจะมายกระดับจิตใจของเราจากจากสวรรค์ชั้นเทพให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมด้วยการเจริญสมถภาวนาคือการนั่งสมาธิเจริญสติควบคุมจิตใจให้อยู่กับกรรมฐาน คืออารมณ์ที่จะกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบไม่ว่าจะเป็นการบริกรรมพุทธทก็ดีเป็นการดูลมหายใจเข้าออกก็ดีเป็นวิธีการถูกใจไม่ให้ไปคิดเมื่อเราสามารถถูกใจไม่ให้ไปคิดได้ใจก็จะหยุดคิดเมื่อหยุดคิดแล้วใจก็จะนิ่งจะสงบจะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรมต่อไปและจะมีความสุขของสวรรค์ชั้นพรมหล่อเลี้ยงจิตใจไปดังนั้นต่อไปนี้เราจะมาฝึกสมาธิกันด้วยการจเจริญสติ เวลานั่งสมาธินี่ต้องมีสติคอยกากับใจสติคือการระลึกรู้ระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะกล่อมใจเช่นทาบริกรรมพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือถ้ายรงดูลมไม่ได้บริกรรมพุทโธไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้อยู่กับการสวดมนต์ไปมีสติอยู่ ก, การสวดมนต์ไปสวดบทไหนก็ได้ที่เราจาได้ สุดปลายจะรู้สึกว่าใจเราเริ่มเบาเริ่มเย็นเริ่มสบายสามารถที่จะมาดูลมได้ก็มาดูลมสามา Buddha, รถที่จะบริกรรมพุทโธได้ก็บริกรรมพุทโธเราสามารถเลือกได้ระหว่างพุทโธกับลมว่าเราจะใช้แบบไหนจะใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้ใช้ลมอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโธก็ได้หรือเราจะใช้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้บางท่านชอบดูโครงกระดูก กะหลับตาแล้วเพ่งนึกถึงโครงกระดูกให้ปรากฏเป็นภาพในใจขึ้นมาก็ได้หรือบางท่านอยากจะท่องอาการสาสบสองของร่างกายไปก็ได้ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นนี่คือกรรมฐานที่จะผูกใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆและจะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้แล้วเวลาที่เรานั่งนี้ถ้าเกิดมีอาการอะไรเข้ามาแทรกก็ไม่ต้องไปสนใจ ใน้ยินเสียงก็ไม่ต้องไปตามรู้ให้อยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆมีภาพปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปตามรู้ให้กลับมาอยู่ที่กรรมฐานถ้าเราอยากจะให้ใจสงบเราจะต้องอยู่กับกรรมฐานตลอดเวลาในขณะที่เรานั่งสมาธิเราไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นอะไรเราต้องการความนิ่งความสงบความว่างที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่จะเป็นฐานต่อไปในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ดังนั้นเวลามีอะไรปรกากฏอย่าไปตามนู้กลับมาที่กรรมาฐานทันทีถ้าใช้พุทโธก็กลับมาอยู่กับพุทโธถ้าใช้ลมก็กลับมาอยู่กับลมเราใช้เราจะใช้กรรมาฐานอย่างอื่นก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างของกรรมาฐานกรรมาฐานนี่มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันถ้าเราเคยใช้แบบไหนเราได้ผลดีก็ใช้แบบนั้นไปได้เลยแล้วต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันอีกประมาณยี่สิบห้านาทีด้วยกัน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 ก็ควรจะละจะเจริญสติให้มากขึ้นในระหว่างวันตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเวลามานั่งสมาธิก็จะมีสติมากขึ้นก็จะสงบได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาฮาปูราปริโุเลนติสสะลัง เอวเมววะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติอชิตังปชิตังตุมหังคิปเมวาะสมิชะโตสภพปุเรนโตสังกปาจันโทปนาราสุยาธาเมณิโชติราสยาธาสพีติโยวิวัชฉันโตสัพพะโรโควินัสตะต มาเตภวะตวันตาาโยสุขิทีคายุโกภวะอภิวาตนศสิลิสะนิจังอุทาปจายโนจตารธรรมวาทานเตอายุวันโสุขังภาลังต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถา ม, ถา ม, ถาม ซึ่งคงจะมีเวลาไม่มากเพราะไม่มากนกอาจจะได้สักคำถามสองคาถามนะต้องขอภัรด้วยวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบเรียนครับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติสองร้อยหกสิบสองท่านทาง Youtube พระอาจารย์สุชาติสองร้อยเจ็ดสิบแปดท่านทาง Youtube ดรวีหกสิบเจ็ดท่านทางวิทยุออนไลน์แปดท่านทางค l ับ h ฮ u s ์ ห้าท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิสี่ร้อยสิบสี่ท่านรวมทั้งหมดหนึ่งพันสามสิบสี่ท่านครับโอเคดอเอรอยากจะถามด้ยครับขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์ครับก็เวลาเราปฏิบัติครับจนกายดับลมหายใจดับครับหรือดิจิตแล้วก็อุเบกขาเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยมันจะตั้งมั่นอยู่ที่กายเราก็าคืออยู่ที่ ลงหว่างคิ้วหรือไม่ก็อยู่ที่กลางอกเนี่ยแหละครับแต่ถ้าบางครั้งจิตมันสงบมากๆเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันหดเล็กแล้วมันก็เหมือนกับพุ่งผ่านรูเข็มนะฮะไปอยู่มิติหนึ่งเลยครับก็คือแบบแยกกายแยกแยกขันออกไปแยกจิตออกแยกขันออกไปเลยครับมีแต่ความว่างามีแต่ความว่างแล้วก็มีมีแต่ความสว่างสไวครับเหมือนกับจิตมันสว่างมากแล้วก็อยู่ข้ามกลางความว่า ง, า ง, างไปเลยครับคือไม่ไม่สมัมผัสถึงถึงถึกายเลยครับอันนี้มันใช่โลคคิปที่พระอาจารย์พูดถึงหรือเปล่าครับ มันเป็นความสงบโลกเทศน์นี้ต้องเป็นพวกอุปจารสมาธิสงบแล้วต้องมีพลังที่จะผักเข้าไปในโลกเทศน์ขั้นหนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่จะเข้าไม่ได้ถ้าไม่มีวาสนามาถ้าไม่เคยฝึกมาก่อนในอดีตคนที่จะเข้าท่องในโลกเทศน์ได้นี่มีประมาณสักร้อยละห้าคนคอย่างพระพุทธเจ้าหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านมีอุปจารสมาธิพอจิตสงบแล้วมันมีพลังที่จะทะลุเข้าไปไมิติหนึ่งได้ เขาไปในโลกทิพย์แต่ของเราเนี่ยมันเราอยู่ในความสงบยังอยู่ในโลกของจิตอยู่ยับอยู่ในความสงบของจิตอยู่แต่ก็มีอยู่ในโลกทิพย์เหมือนกันใดไม่เป็นโลกทิพที่ยังไม่สามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ครับแล้วไม่สําคัญการจะไปเที่ยวโลกทิพย์เหมือนก็ไม่ได้ทําให้เราหยุดทนได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ไปไม่ต้องกังวลไม่ไม่เป็นอุปสรรคใดๆแล้วถ้าเกิดเราไม่สัมผัส นั่งจนจิตสงบถึงขั้นลมหายใจดับกายดับได้แต่ว่าอาจาจะติดอยู่ขั้น2อย่างยีปิติสูงเนี้ยเราสามารถนําสมาธิระดับนั้นมาจจเจริญวิปัสสนาพิจารณาขันห้าไม่เที่ยงได้ไหมครับก็ได้แต่อาจจะไม่ขายเวลาจะปล่อยปล่อยไม่ขายครับกาลังยังไม่มากพอครับแต่ก็สามารถปล่อยได้ในระดับนึงครับอันนี้ต้องพิสูจน์ดูก็าแล้วกันบางที่อาจจะปล่อยได้ก็ไม่รู้นะแต่ละคนครับก็ไม่มีข้อห้ามที่เราจะทดลองดู แล้วต้องไปทดลองกับของจริงคเช่นไปอยู่ในที่ที่มันน่ากลัวแล้วเราเกิดความรู้สึกกลัวตายขึ้นมาแล้วเราสามารถดับความกลัวตายนั้นได้หรือเปล่าครับสําญก็หมายความว่าควรจะให้ถึงขั้นสี่ก่อนถึงควรมาวิปัสสนาใช่ไหมครับอย่างนั้นมันจะปลอดภัยกว่าครับพอเราไปถึงขั้นสี่บางทีสติแตกได้ครั บ, รบแล้วบางคนเขาบอกว่าเขาไม่สามารถ ภาวนาพุทโธได้หรือไม่สามารถดูลงหมายใจได้เขาไปดูจิตเลยอะครับเขาว่าไปไปเพ่งที่จิตเลยแล้วก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าดูจิตของเขาคืออะไรนะฮะแต่เขาบอกว่ามันเป็นวิธีการตรงคือไม่ต้องผ่านสมาธิสามารถบรรลุปเป็นพญะะบุคคลได้เลยอะครับอันนี้มันมันมันมีจริงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> เพราะว่าการจะบรรลุได้ต้องละสังโยชน์ได้คือสักยายทิฐิครัับนน้การดูจิตเฉยๆมันไม่มันมันต้องดูอย่างไรอะ ดูวตอนนี้จิตยึดร่างกายอยู่หรือเปล่าถ้าจิตจิตยึดร่างกายแล้วสอนให้มันปล่อยได้หรือเปล่ามันต้องมันต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่นั่งดูเฉยๆองยัาครั้นโดยมีทุกเกิดขึ้นเราดับมันได้หรือเปล่าเวลาใจเราทุกข์ถ้าแพ่งดูจิตถ้าเรามีพลังเราก็ต้องหยุดมันได้ครับถ้าไม่มีพลังมันก็หยุดไม่ได้ครับการดูจิตส่วนญ่มันจะต้องผ่านการปล่อยกายปล่อยเวทนาก่อน มันถึงจะมีกําลังที่จะเข้าไปดูจิตและหยุดจิตได้อีกทีครับพระพุทธเจ้าถึงเรียงลำดับสติปัฏฐานอะไรไงกายเวทนาแล้วค่อยจิตครับหมายความว่ากายก่อนแล้วค่อยดูเวทนาแล้วค่อยไปดูจิตอ๋อหมายความว่าคืนคืนดูลมหายใจจนถึงขั้นสี่ก่อนแล้วค่อ ย, อย ไ, ปไปดูจิตร่างกายก่อนครับจิตจะพึ่งไปเวทนานั่งกายปล่อยร่างกายให้ได้ก่อนครับแล้วก็ไปปล่อยเวทนาให้ได้ก่อน เอผ่านเวทนาได้แล้วทีนี้ก็จะไปเจอจิตแล้วทีนี้ก็ไปดับความทุกข์ในจิตดับกิเลสที่มีในจิตอีกทีหนึ่งยังมีในจิตยังมีกิเลสตัณหาอยู่ความโลภโกรธน้องครับเพราะฉะนั้นต้ผ่านทีละขั้นคือเป็นกายเวทนาแล้วค่อยจิตเป็นธรรมอครับครับถูกครับคำถามฝากถามจากหน้ากุติค่ะ เราจะมีวิธีการอย่างไรในการเปลี่ยนจากคณิกะสมาธิเป็นอปปนาสมาธิต้องมีสติมากขึ้นต้องเวลาออกจากสมาธิมาก็จเจริญสติต่อพุโทโธพุโทโธต่ออย่าปล่อยให้ใจคิดเดินยงโกมต่อพุโทโธพุโทโธไปพอเดินเมื่อแล้ว ก, กลับมานั่งใหสลับกันไปสลับกันมาเอาไปสติก็ไม่กําลังมากขึ้นพอจิตสงบก็จะยาวขึ้นมานขึ้นจากคณิกะก็จะเริ่มเป็นอปปนาสมาธิไป คำถามจากทาง Facebook คุณพิมพ์รวิค่ะคำว่าให้สติแนบแน่นกับผู้รู้อย่าให้เคลื่อนไปตามกิริยาอาการใดๆอารมณ์ใดนั้นเวลาปฏิบัติคืออย่างไรเจ้าคะและอาการของจิตคืออะไรคะเพื่ออยู่กับพุโทโธอย่างเดียวจะมีความรู้สึกอย่างอื่นเข้ามาไม่ต้องไปสนใจแต่มีความเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เรื่องจะมีอะไรก็ตามที่เข้ามาแทรกในจิตตอนนั้นไม่ต้องไปสนใจมันทั้งสิ้น ให้อยู่กับพูโทโธไปเพียงอย่างเดียวเวลาลักแฟนเนี่ยเราจะดูแต่แฟนอย่างเดียวคนอื่นหรือใครเข้ามาไม่สนใจนะั้นคอยเฝ้าดูแฟนเราจะไปไหนหรือเปล่าเนี่ยดูพุทธเอาพูโทโธเหมือ น, มนเป็นแฟนเราเฝ้าเอาพูทโธเหมือนเอาเฝ้าแฟนเราหมดแล้วยังมีอีกค่ะเอาข้ า, าคําถามนีงแล้วกันนะค่ะคําถามจากคุณชวนชมค่ะขอเรียนถามเจ้าค่ะ ข้อที่หนึ่งถ้าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วนึกในใจว่านันวอเตอร์นันมอเตอร์บูเมนนันเอ็นนะค ะ, ะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาเจ้าคะไม่เป็นอะไรทั้งน้นะข้อที่สองภาวนาจับพลัดจับผูกับแบ่งรับแบ่งสู้เป็นสมถะหรือวิปัสสนาเจ้าคะไม่เป็นเหมือนกันภาวนาต้องเอาจริงเอาจังไม่แบ่งรับแบ่งสู้ ไม่ได้ผลต้องเอาจริงอาจริงเ อ, เอาเต็มร้อยเสื้อปฏิปนโนทุ่มเทเต็มที่อาแล้วหมดเรียังมีค่ะเจ้าค่ะไม่หมายถคนนี้หมดแล้ว่หมดแล้วค่ะสองคถามโอเ ค, ควันนี้เวลาก็หมดพอดีสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอ